สิกขาบทที่5เรื่องพระชับขี600สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพวกพิสูจช์ฉับีเดินกระโยงไปในละแวกบ้านพระบัญญัติ 5. พึงทําความสําเนียกว่าเราจะไม่เดินกระโยงไปในละแวกบ้านเรื่องพระชับขีจบ สิกขาบทวิพังพิสูจไม่พึงเดินกระโยงไปในละแวกบ้านพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อเดินกระโยงไปในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกกฏอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1นพิกษุไม่จงใจสองพิกษุไม่มีสติ3าพิกษุผู้ไม่รู้ 4. ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิกษุอยู่ในที่พัก6กพิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง7จพิกษุวิกลจริต8ปพิสูจต้นบัญญัติ สิขาบทที่5จบ